ก็จะแม่งก็เด็กเมกกื่อพนรู้เด็กเมกกื่อพอรู้ผู้ใหญ่พอนี้ใครก็รู้เรื่องไม่สบายใจไม่สบายใจไม่เลยผู้ใหญ่นี่ยพูดกันไม่ใค่สวนหางนเนี่ยถ้าหากที่เพียงแต่ว่าไม่สบายใจไม่สบายใจแม่ก็ไม่ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยพอรู้เราพูดกันเนี่ยแต่คุณมีทุกบางไหมทุกทุกเพราะเรื่องอะไรบางครัง้งบางคราวก็ไปสอนนักเรียนในบางครัง้งนักเรียนเราไม่เข้าใจน บางครั้งบางคาวก็ซิกฐานหลักพุทธศาสนานม่จะเติมไปแล้วก็ยังพกุกเยอะจะไปสอนคนอื่นให้เขาไม่มีทุกข์มันก็เป็นไปได้ยากนี่เองคนต้องแก้ปัญหาของคุณพอสมควรได้จึงจะไปแก้ปัญหาคนอื่นได้คุณกลัวว่ า, าศาสนาจะหมดไปแต่ความจริงคุณหมดแล้วคนศาสนาคุณหมดแล้วาศาวสน า, าแปลขังสอน ใครดูเรื่องอะไรก็ต้องนําไปยน้มันสอนเนี่ยเป็นเพียงศาสนาแต่นวัคคันสอนเท่านั้นพุอนอนนทธศาสนาเล่าแบบนี้พุทธศาสนาจากตัวศาสนาเป็นพระธรรารีพุทธศาสนาก็หมายถึงบุคคลที่รู้เหย่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานได้ทานันพุทธศาสนาศาสนาเป็นวัคคันสอนพุทธศาสนาเป็นผู้รู้ผู้รู้ทำนะครับว่ารู้ทำเนี่ย ลูกเทพไหนบางคนก็รู้ไม่เหมือนกั น, า น, นบางคนก็รูผ้ผีเทวดานี่ลูกแก้วพระพุทธรูปผมเองทาก็บางครั้งก็เห็ น, น, นมันดีนะนีะา่าได้นีมิตรตุาลาใจสอนให้ได้มีมิตรเขาก็พูดกันนะี้เน่ะก็ดีนะครับพวกเราก็เช่นเดียวกันพูดให้ดีแล้ว ตอนะนั้นการที่สอนจะให้เหมือนกันทุกคนมีเลยในสมัยครั้งพุทธกาลในประเทศอินเดียก็เหมือนกัน ต, ต้องย้อนไปถึงนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมัยแรกเกิดขึ้นมามีเพียงศาสน า, ายังไม่มีพุทธศาสนาเพราะมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการทํากรรมฐานมีความสงบเช่นเดียวกัวคำวควมสงบเนี่ยเราไม่เข้าใจมันําสงบกับมินิ มันเป็นคำเดียวกันความสงบของพระพุทธเจ้ากับความสงบของขาไม่เหมือนกันแต่เรียกว่าความสงบเหมือนกันนี่เราต้องรู้จกอย่างนี้เพราะว่านิมิตก็เหมือนกันเพราะนิมิตมันก็เป็นคำเดียวกันนิมิตในทางในทางพภีร์ศาสนาก็นิมิตเหมือนกันนิมิตของขามก็านเรียกว่านิมิตเหมือนกันเนี่เราไม่เข้าใจแล้วก็เลยไปเอาที่ไหนมาพูดกันก็มันกับมากขึ้นไป บัด น, นี้คนใดรู้เรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาสอนกันก็ดีก็ไม่สอนไปแต่จุดหมายปลายทางมันจุดเดียวกันคือจุดที่จะมาแก้ปัญหาตัวเองนี่สำคัญมาแก้ปัญหาตัวเองไม่ให้มีทุกข์เรื่องได้แต่ว่าศาสนาก็ได้แต่ว่าพุทธศาสนาก็ได้จะว่าไม่ไม่ใช่ศาสนาก็ได้ไม่เป็นพุทธศาสนาก็ได้พวกเรารู้ เรารู้แล้วใครจะพูดอย่างไรก็ได้แต่เราเป็นคนเรียกว่าถือถึกษาสนาพิกิตมาแต่เรารู้หลักพุทธศาสนามาเพราะว่าเนี่ยไม่ใช่พุทธศาสนาในปีนี้นะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยพราะเราทรงแล้วเนี่ยเมื่อเขาพูดเลยเราเอ้าเราเป็นสาผพูดจริงๆไม่ใช่สาสพิชิตเราก็รรอเข้ามาน่ากลแต่เราอย่างนี้ทรงไม่ได้ ทำโบราณเขาข่าวเขาเตือนกันเอาไว้ดูไม่ได้เพราะป็นใหญ่ไม่เป็น่อันนี้คําพูดบอกตรเย็นไม่ได้เพราะมันไม่รู้จัะหยุดสงบไม่ได้เพราะมันนิ่งไม่เป็นด้วยมันมันเตาไม่เป็นเย็บไม่ได้เพราะมันไม่มีอายควรไม่มีอายแล้วจะไปเย็บได้ทำไม เมื่าโกรขึ้นหน้าบึ้งหน้าบูขึ้นเขาว่าเราไม่เคยพูดแล้วกโกขึ้นมาะเขาไังเอิายแล้วอยู่ไม่ได้สงบไม่ได้ตอนนี้ถ้าเรารู้แล้วเขาว่าเราเป็นเป็นคนเดียวเขาเาคยถือการกระนิษย์มาไม่ใช่การพูดหนึ่งหลักจะยิ้มได้เพราะเราเป็นพูดแล้วนึ่งแทนว่าเป็นอย่างนั้นเราควรศึกษาให้รู้จักในอริยสัจสี่ตัวอริยสัจสี่นี้เคยพูดกันนะ เป็นหัวใจของพุทธศาสนาจริงๆจากเลี้ยสติแล้วก็มีขันห้าเลี้ยสติทุกสมุ ท, ทัยในโลกมากกว่านี้วันนี้ก็ให้ศึกษาในขันห้าขันห้ากับลูกอาตจจมาเคยศึกษาแบบนีน้แต่ก่อนนะลูกเวทนาสัญญาขังขานจริงๆนะให้รู้ลูกก็ได้แก่ร่างกายโดยพูกแกไม่รู้รู้จาอันนี้ไม่ใช่รู้จัก ไม่ค ว, ร, ว ร, ร, รู้แจ่มไม่ควรู้จิงมรู้จำต้องรู้จำนะครัันห้ารูกเวทนาสัญญาของขานยาบาดาาัดนี้อายุเสิบสอง่านัก็พูเรื่องคนนี่เหมือนกันตาหูจมูกนิ้สายจ ย, ยิ้มยิลูกเสียงกินหลสัมผัสธรรมารอม่เป็นอนารเป็นพูดเรื่องคนนี่เหมือนกันแล้วด้ทาตุิดแปรจะูธาตุ จากรโคทาจักรโคตาจักรโวิญญาณกับวิญญาณตาจักรโคทาต่าทางตากับรโควิญญาณทาามันเป็เราท่าสิบแปดสามห่สิบแปดก็ตาหูจะบอเรื่องอันละสามจักรโคโสต้าอันะสี่ห้าอะไเงยมันเหมือนกันทั้งหมดศึกษาเรื่องเราธาตุเหมืนบัดนี้ก็เรอยกวปฏิจาสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทขึ้นอวิยาเป็นปัจจัยเกิดสังขาร สังหารเป็นปักหาเกิดบินอย่างอ้ก็เหมือนกันการศึกษาที่ตัวเรานี่เหมือนกันแล้วใครจะพูดว่าศาสนาเขได้ไม่พูดว่าศาสนาเขาได้แต่คนไทยก็เป็นคนเหมือนกันคนจีนก็เป็นคนเหมือนกันคนอินเดียก็เป็นคนเหมือนกันคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนเยอรมันก็เป็นคนเหมือนกันขึ้นซื่อว่าคนเรานั่นแหละคือตัวศาสนา ทำดีก็เป็นศาสนาทำชั่ว ก, ก็เป็นศาสนาตัวพุทธศาสานาแบบไหนมันอีกเรื่องหนทำดีเขา เ, เรียกอะคาโต ท, ทำดีเขาเรียกเป็นกุศลธรรมทำชั่วกเเ็เรียกอกุศลธรรมตัวพุทธศาสนาแป็ว่ารู้รู้อะไรรู้ตัวเราไม่ต้องไปรู้ผีไม่ต้องไปรู้เทวดาไอผีก็มีจริงนะเทวดาก็มีจริงแต่เราอยู่ที่นี่เราไม่มีตาทิศก็เลยไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดา มันต้องมีตาทิพย์จริงๆเห็นผีเห็นเทวาดานี่ทุกคนมีตาทิพย์ได้ตาทิพย์อย่างที่หลวงพ่อจะนํามาเล่าให้ฟังวันนี้บอกไม่ใช่ตาทิพย์มองเห็นไกลไม่ใอย่างนั้นตาทิพย์เป็นสัมผัสลูกค้าวะของเราเองตาทิพย์หลวงพ่อเปอน็นเ้มืนอนที่ว่าเช่นเดียวกันคนพูดที่มันนอกหลักหรือมันเนี๊ยหรือเราฟังได้รู้เรื่องหูที่ต้องฟังเป็น ไม่ใช่ฟังอะไรจะเป็นธรรมะไปทั้งหมดไม่ใช่เลจะเป็นธรรมะเจว่าธรรมะไม่ดีก็มีชั่วก็มีนะทีนเพราะนั้นเจวานำมาเล่าให้พวกเราฟังเป็นพิ ธ, ธีงา่ายๆเสั้นที่ถามอาจารย์ว่านี้ไม่ใช่ถามอาจารย์มาถามว่านี้ก็เลยอันนั้นมันถูกแล้วที่ถึงพูดแต่เขาเรียนเขต้องรู้เขาเป็นห่วงเขาไม่เป็นห่วงาศาสนาก็ไม่ห่วงตัวเองบเลย มันก็เป็นคนลืมตัวอยู่แล้วเป็นคนลืมตัวนี่ไม่ดีคนประมาทคนลืมตัวนี่ก็เป็นคนประมาทแตพูดเปลี่ยนจรงน้อยเพราะเขามีคนรู้มากพูดกันไปกันมาก็เลิเข้าใจเอหมายถึงตัวคนทุกคนเป็นตัวตาประมาทตัวทุกคนเป็นตัวสาประตัวพุทธกาลละก็หมายถึงตัวทุกคนอีกแล้วคือตัวสติ ตัวตะมพิตัวปัญญาของสักตนนั่นแหละตัวสติจะไม่ต้องพูดถึงทำไมจึไม่พูดถึงสติคนระลึกได้เอาของวางไว้วันนี้ระลึกถึงอันนั้นไม่ใช่เป็นสติที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเข้ใจไหมครอันนั้นมันเป็นสติธรรมดาเนี่ยระลึกอ่านังได้ระลึกอันนี้ได้เด็กๆก็ระลึกได้นอนแล้วแล้วยามคุณนอนแล้วทานอาหารแล้วไปยังถามกันก็ระลึกได้เด็ก อนนั้นสติคนระลึกได้อันนั้นไม่ใช่เกี่ยวข้องเรื่องสติระมาธรรมที่นี่วันมาทำทีนี่ไม่ใช่สติอันนั้นสติเพราะสัมผัสหรือัสสะสิ่งที่กำลังรู้ไม่ต้องไประลึกอะไรกำลังรู้เราพิตารู้นี่คมรู้สึกอันนั้นไม่ใช่ระลึกตาหน้าตาหลังไม่ใช่ะลึกแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานนั้นอันนั้นเป็นสติของคนธรรมดาทั่วไป สติอ น, นันต์ด้วยสติประดลได้มันก็จริงคำว่าสติเนี่ยต้อเข้าใจนีืว่าตัวทุกข์เนี่ยเขาต้องเข้าใจตรงนีน้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ศึกษาก็จะผิดหลักไปแต่มันไม่ผิดมันก็ถูกแบบนั้นเข้าใจไหมใว่าทุกทุกเพราะเรื่องอะไรทุกเพราะคนแต่โวทุกเพราะเป็น ค, คิดแต่ละคนคนไม่กาย ก, ายกับกยยใจมันทุกไม่ได้สัตว์นะสัตว์มันก็ทุกเพราเป็นคิด คนกคนค็ทุกข์เพราะคิดทุกข์เพราะเรื่องอะไรมันคิดตายออกจากข้างนอกเราไม่เห็นมันคิดดีใจเสียใจคิดพอใจไม่พอใจมันออกจาข้างนอกนั่นเองมันไมไ่อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราถ้ามันอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรามันจะเดี๋ยวเรารู้เข้าทันเหตุการณ์เรูาา้องธรรมะเข้าใจไบัด น, นี้ถ้ามันคิดออกไปข้างนอกเราไม่รู้เขาไม่รู้ทันมันเป็นยังไงเพราะมันออกมาก็เลยทุกข์กันเอง เราคิดโตเขาไปยึดมั่นคื้นมั่นเนี่ยทุกออกมาแลยผลมันออกมาทั้งทุกเพราะตะโม่ไทยทําให้ทุกเทท ก, ออกิดไม่ได้ทุกว่าไม่สบายกายไม่สบายใจอันโตผลมันคิดออกไปนี่แหละเราไม่รู้เขาไม่รู้ทันมันผลมันกัดร้างออากมาให้เลยแล้วลัะทุกพระพุทธสอนใน้อยๆ่ะอันนี้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนของจริงเพราะว่าทุกคนมันมีคิดผู้หญิงก็มีคิดผู้ชายก็มีคิดคนไทยคนจีนคิดทั้งหั้ มันทุกข์เพราะุงคิดในฐานะจิตวิสพพระพุทธเจ้าทา้จิตสวัสดิ์ทุกทุกประเด้นทั้าเลยว่าสังขารอันสังขารปรุงกันมาอันเดียวกันนี้ถ้าเราไม่เห็นกับทุกถ้าเราเห็นกับปรุงก็เรื่องี่ยรู้มันจะเห็นรู้เหมือนกับเราที่ว่ารู้ว่าไฟเป็นจิตมันไหม้เราแต่เรายังไปจับไฟให้ไปไหม้เราจะถือว่าเราเห็นไม่เห็นไม่รู้รู้เพียงคําพูดจดจํากันมา อันนัเรารู้แต่ไม่ปฏิเสธรู้เหมือนกันดังนั้นตัวทุกจริงๆเนี่ยตามอุดมณการที่เราคิดเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแล้วแนบแน่แนมไม่งอแน่นคอนแทกใครจะพูดยังไงก็เรื่องของคนนายกให้เขาทั้งหมดนะเรื่องของเรามันเรื่องเรื่องเดียวแตสั้นเฉยๆใบไม้กับมดเดียวนันเองที่แรกศึกษาให้รู้าการเคื่อนไหนโอ้เคลื่อนไหวที่ค น, นรู้คนรู้เรื่ออะไร จะว่าอะไรก็ได้จะว่าสติก็ว่าได้จะว่าละลึกได้ก็ได้หรือว่าจะว่ารู้สึกก็ได้คนมันต้องรู้รู้แล้วเป็นอะไรรู้ก็เป็นมรัมม ก, มกกับรู้อันเดียวกันถ้าไม่มีมรักก็ไม่มีรู้ถ้าไม่มีรู้ก็ไม่มีสติไม่มีสติก็ไม่มีมรู <c oughs> ้เอาง่ายๆเนี่ยพูดออกคนเดียวนี่แต่ว่าก็กินกินแค่ตัวเองคิดเห็นอย่างนั้นเพราะมันไม่มันไม่ถูกกับตำราแต่มันกิงกับตำรา แต่คนใดที่มีปัญญาแล้วเอาไปใช่แบบจริงตำนาพูดจริงแต่ตัวพูดนี่ก็จริงเหมือนกันจริงเพราะความคิดเห็นของคนลราคนไม่เหมือนกันแต่ทมกคนทั้งโลกยังหเห็นเหมือนกันจะใช่ได้ไม่ไม่ได้ที่ว่าเขาเห็นผีเขาก็เห็นจริงเนี่ยตัวอาจารมาก็เห็นเนี่ยข่าวนั้นเคยพูดให้ฟังข่าวนั้นเรียนมนไส่ผีบังคับผีผีก็เอาผพ้าผ้าปดหัวขึ้นมาแลนอนเป็นหนุ่มลุกขึ้นมาเตะผีเลย พอดิเตะไปมันรู้สึกขาประกุกไปที่รู้สึกมองผีไม่เห็นเลยมันเห็นจริงแต่จริงที่เราเห็นนั่นมันไม่ใช่เป็นของจริงในในขณะที่เตะผีเนั่ยเราไม่รู้เพราะได้รู้รู้เตะไปทุกมันจะเตะผีเมันคิดผีไม่มีแต่มันมีเพราะใจเรามันหลอกหลวงตัวเองเพราะว่าจิตที่ในคนไกเกอกกลับได้ไวบุตมีลานไขในตนเราท่าน วนบังคับคนให้จิตเราเนี่ยหมุนมาแต่ในทางข้างดีเพราะปล่อยให้มันหมุนไปในทางข้างชี้ทำที่มีทำที่มีในตัวเวราเขาจะหนีจากนายหายสูงอ่ะทําเข้าพรอบงำโคน่ละยันสัมบูรณ์ก่อเปลี่ยนปอกหลอกตนเนี่ยมันหลอกตัวเราแล้วไปเห็นผีก็เตะผีไปเจ่ากุญจริงผีกคือตัวเราเนี่ยที่มีตาที่เป็เหตุผี ไม่มีตาที่ไม่เห็นผีจริงจริงตามเป็นอย่างไรบัดนี้เดินจนกมกรมอยูเดินไปเดินมาเห็นเลขบนติดวาผนังอยู่ติดวากระดานฝาตรงบนลกขนาดนี้เนี่ยเห็นจริงนะเนี่ยแต่สิ่งที่เห็นนั่นอ่ะไม่จริงทําไมไม่จริงมันหลอกเราแต่มันหลอกเราจริงๆจิตใจนี่ต่อเมื่อใดยังไม่เห็นจิตใจเราก็ดีจะมันถูกหลอก ลอกกับเล่นคนอันเดียวกับเขาว่าเล่นคนไม่ใช่ของจริงลอกก็ไม่ใช่ของจริงเห็นจริงแต่คนที่เห็นจปะปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าขอไม่จริงถ้าเราบอกว่าขอไม่จริ ง, ขงเขาก็โ อ, อ้ทำไมไม่จริงเราเห็นจริงอันนี้แหละมีนิดของคนที่ไม่รู้ทำเขาจขอกว่าจะสงสารยืนยาวนานสําหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ทำกลางวันนานคํากลางคืนนายแจ้งสําหรับบุคคลผู้ที่เก็บตัวดไข้ พอนอนกลางคืนมันก็นวยไม่หลับคนเจ็บคนป่วยเพราะภจะสว่างมันอยกไปทํางานแล้วอยากใจนั้นไปนี่จริงวันนี้กลางวันมันคํามันนานค่ำเนี่ยวันนี้ก็คนป่วยได้มันนอนโอ้ปัญจิมุขจิตคํามันเป็นไม่ไหมเนี่ยมันคลองท่าอย่างนั้นอยู่วัดไม่ตายอันนี้จะมันยืนยาวนานอีกแค่อย่างนั้นคำของคนโบราณนี่จริงแต่เราไม่รู้จริงคนนั้นเอันนี้ ทางยาวไกลสําหรับบุคคลผู้ที่เหนื่อแล้วก็หัก้องหนักอยากให้ไปถึงเร็วมันหักอยากลงของหนักมันก็นานถึงนี่ก็เป็นอย่างนั้นสําหรับบุคคลผู้ที่ ห, หัก้องเนัะเดินมาหลายวันก็เหน็ดเหนื่อยไม่นานบาดนี้คนที่รู้ทำไปยังไงคนรู้ทำจิตใจนาคิดปุ๊เห็นรู้เข้าใจวันนึ่งเราคิดกี่ครั้งว่าเราไม่รู้ถ้าคนรู้แล้วจริงจัง ก็เดียวจนมันจะคิดเรื่อยๆจะทำงานเรื่อยๆไปเลยใน บ, บัดนี้ก็โดยวัตถะสงสากับผู้รู้ธรรมกับคนที่ไม่รู้ทํามมันเหมือนกันเห็นจิตใจตัวเองเนี่ยมันมึดมันคิดเห็นร่างกายของเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวเราต้องเห็นต้องรู้เราจะเล่นอันนี้เแปลว่าเล่นฌานฌานแปวเข้ามาเล่นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามุดหัวเข้าไปนั่งอย่างนั้นมันฌานไม่เหมือนกันเพราะว่าฌานนีก็บําเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันทั้งนเอง วันนี้เขาต้องพยายามพูดเข้าใจเขาเดินทางมาจากเมืองเเอี๊ยจะเห็นเพื่อนเพื่อนมาแล้วก็พูดทั้งใจฟังังเพราะว่ามันนานๆกินไปได้คึ้มกันเป็นไหมบนันไดกลางวันเหมือนเราไปทํางานงานมันมากมเราทําเป็ดเดียวมันมันนานแล้วเด็กเป็ดเดียวเท่านันเองกลางวันสิบสองชัวมงค่าแล้วห้าหกชั่วงไปแล้วไม่ทันเกร็จเลยงานนี่เป็น เพราะเราอยู่ดีมีแรงทำงานอะไรมันก็เลวเข้ากางวันกลารคืนแบบนี้นอนไปคนหิวนอนไม่พอเลยอย่างที่อาจารย์นอพื่ว่าจะนอนจะพักห น, น่ อ, อยก็มีเพื่อนเพื่อนมาคุยก็จะไม่ได้นอนก็นอนแตทดเดียวเท่านันเองี่เดี๋ยวเดียวก็สว่างขึ้นมาเดียเด๋ยวก็วไปอย่างนนเนี้ยสําหรับคนที่รู้จริงมันเป็นยางไ้ทางยาวไกลสําหรับคนผู้ที่เพียวบางทีคนที่แข็งแรงนะ่ะคุยจะไปจากสองสามคนก็ตาม ร่วมกันไปเมื่อมีของหนักเดินไปจะแยกทางโอ้ยสี่ดายพูดคานั้นทางแยกกันแล้วเด็กนีก่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตายนะเราจะไม่นนทําได้รู้คาเห็นธรรมนะนี่ทางสําหรับมันสั้นที่สุดดังนั่นที่ว่าทุกให้รู้จักจริงๆทุกตัวทุกจริงๆคือตัวนึกตัวคิดเราไม่ต้องพูดสมองไทยก็ได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องเรื่องคำพูดกข็ได้ไม่เอาไปพิจารณาเอง น, นะตัวคิดนี่แหละ เป็นตัวสมุไถยเมื่อเราไม่เห็นมันมันก็ปรุงให้เราดีใจเสียใจคิดโน้นคิดนี้คิดอยากได้คนนั้นอยากได้คนนี้อิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้อยากได้บ้านอยากได้รวน อ, อยากได้แต่ไม่ทำดีแต่ป า, ากว่าสอนเขาอื่นมือดาดดญเหลือลักนักไม่ไหวปลดลมตนเองฝุกตนเองบ้างไหม สอนคนอื่นได้เราทําได้จึิงจะดีเพราะว่าคำพูดของคนโบราณในบ้านหลวงพอ่อพวกกันอย่างนี้นสอนอเล่นแต่ไม่เคยดูเรื่องนี้นมากมักคือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงคนแบบทุกมักคือเรารู้สึกนี่เองเนี่ยถ้าเราไม่มีคนรู้สึกมันจะมีมัม ก, กไดทํามมักคือเป็นข้อปฏิบัติการปฏิบัติจริงเป็การปฏิบัติตัวเราทุกคนต้องปฏิบัติตัวเราจะว่าศาสนาพุกก็ได้ แต่ว่าศาสนาทิพก็ได้แปลว่าศาสนาอะไรได้น่ะ <c oughs> เนเรื่องสมมติยศสมมุติดีมากเทีบยบใบไม้ในป่าจะมาเรียบเทีบยบใบไม้กับมือเดียวไม่ได้ถือศาสนาก็ได้ก็ต้องปฏิบัติอันนี้จึงจะเป็นมรรคจริงๆมรรคจึงเป็นข้อปฏิบัติ <c oughs> เพื่อถึงคนดับทุกข์มรรคกร ะ, ะรู้สึกเนึ่คิพมือลู้สึกทิพตารู้สึ ก, สรรสกมันนึกบัณฑิตรู้สึกเมื่อเราไม่รู้สึกเรามีมรรคไหมไม่มี แต่ถือเรามีสติไม่ไม่มีสติแต่ถือวเรามีอะไรไม่มีอะไรไม่แต่สติคนละล็กได้ไม่ใช่อย่างนั้นคือรู้สึกตัวนี้เองมากที่เป็นข้อปฏิบัติปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้เลย่หแต่มันจะขัดกตบตำราบ้าง น, นะเถียงเล็กนะ้อยแต่ไม่ขัดถ้าคนวิจัยกันจริงๆแล้วไม่ขัดนี่คือทานเตียวเข้าไปรู้ทานตียวรู้ไม่ใช่ว่าทานเตีวว่าอะไรทานเตียวรู้ทานเตียวเท็มีไม่กียงแตเครื่องหมายเนี่ย มาเครื่อหมายเราไม่มีหมายเราก็ไม่มีจิดจับได้รู้สึกทิศตารู้แต่ว่าเขาเป็นแนบแนบกับสิ่งเหล่านั้นตรอดมีมิต์ไม่จะมีมิต์ไปเห็นสีแสงสีเหลวอันนันก็มีเห็นได้อันนั้นเป็นมายาของจิตใจมันหลอกลวงเราเองเรื่องคนเล่นโกลเนี่ยทํากับคนที่ยังไม่ศาสนาเท่านั้นเองถ้าคนศาสนาแล้วเขาจะไม่ไปดูแลเล่นโกลนี่ไม่ใช่ของจริงเนี่ยเขาจะรู้ อาตมาก็ถูกมาแล้วพอดีเปะผีไปแล้วบนนี้ถามก็าถูกอ๋อผีก็ยังไม่รู้นะข่าวนั้ไม่รู้ไม่ว่ามันมีจริงจริงมาเดินบนนี้เดินหลายวัน่ไม่ใช่วันเดียวก็นนานเนี่ยไม่ใช่เป็นตีเดียวกันนมันมันเป็นนานๆเนี่ยบอกพูดให้มันเกี่ยวนึงตอนเห็นเลขกับดูแลขกับไม่ใช่ของจริงก็เห็นจริงนะ เกว่านมีมิตไม่ใช่มีมิตมันเป็นมายาขอ ง, งจิตใจเพราะเราไม่มีสตินั่นเองเพราะเราม่มีมรรคนั่นเองเพราะเราไม่รู้สึกใจนั่นเองนี่มันใกล้ๆที่อาตมาพูดในเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ไกลแล้วมันจะเป็นยังไงตัวนี้เมืม่อเราเรารู้สึกนี่ก็พอแล้วเคลื่อนไหลร่างกายแล้วนี่ไปที่ไหนก็รู้สึกแล้วอยหลับตาไม่ไม่ต้องหลับแต่พูดพูดได้นะแต่ไม่รู้จักวิธีนะนี่ เพื่อมันมีเทคนิคมีวิธีมีคนไกถ้าคนไม่มีเทคนิคไม่มีวิธีไม่มีคนไกพูดได้แต่ทํามไม่เป็นคำว่าคนอวดดีพูดคนอวดดีพูดกับคนมีเดียมาพูดไม่เหมือนอันจริงๆแต่เมื่อเราฟังเต็ม น, นะเมื่อเราไม่รู้แต่เมื่อเราไม่รู้นั้นดีทั้งนั้นแต่เมื่อเรารู้จริงๆริงะคนอวดดีเนี่ยไม่ได้นี่เป็นอย่าง น, นแต่คนที่มีเดียมาพูดให้ฟังอาตมาไม่ใช่เป็นคนที่มีคนรู้มาก รู้ ส, ส, ส, ส, ส, ส, สุกรู้สึกรู้สึกวาสติไหมจะวาสติเขาได้ว่ารู้สึกเขาได้ว่ามักเขาได้มักได้ถึงรู้ไม่มั ก, กมันจะดูธรรมดาดู อ, อย่างนี้ไปสภาพภาวะจิตมันจะไหวตัวเองมันจะเป็นเองความเป็นเองมันมีอยู่แล้วอาตมาจึงเคยพูดให้ฟังบอยว่าผลลไม้จะเป็นเม็ดอะไรก็ตามเอาไปเพาะลงดินแล้วแล้ให้น้ํามันควรดินมัยแตกดอกออกผลทุกประเทศ ลิ้นเม็ดข้าวทุกเม็ดจะเป็นข้าวเจ้าก็ตามข้าวเหนียวก็ตามเป็นข้าวเปลือจะอ้วนเต็มดีเอาไปพ่อใกล้น้ําออกทุกเม็ดไม่ช เ, เช่เข้าวเจ้าข้าวเหนียวไม่ใช่อย่างนี้นี่ก็เหมือนกันไม่ใช่คนไทยคนจีนศาสนานั้นศาสนานีกไม่ได้พูดอนันนี้ถ้าเพร่อลงดินเล้วลูทุกโดแตกออกทุกทุกเม็ดคนเนี่ยถ้าปฏิบัติถูกจังหวะแล้วลูทุกคนเราคงจะเคยได้ยินมาบ้างมา สัตว์ทั้งหลายคือเราจตหกขบรเรี่ยย์สัตว์ทั้งหลายเหมือนกับเราจตหธคือกันกับเหมือนขันในคนละขันคือกันมีขันห้ามีอัญมณีมีธาตุมีรูปมีกายมีคือสัตว์เหมือนขันบะเนียเหมือนกันประวัติรูปเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนขันเขได้เพราะาสูงต่ำดำาดําขาวได้เหมือนกันจะเหมือนกัน สูงต่ำดำขาวคนเดียเหมือนกันกเปคนไทยผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันแต่ไม่คู่กันเป็นเหมือนกั น, นเหมือนกันแบบ น, นี้เมื่ อ, อยังไม่รู้ไม่เห็นก็สอะแสวงหาให้รู้ให้เห็นเมื่อรู้เห็นแล้วก็ท่านก็เลยพูดว่าสักทั้งหลายเราผู้เป็นปัญหาคตไปถึงแล้วแหง น, นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทหลายให้พวกเธอทั้งหลาย เราปฏิบัติตามอย่างเราจะถากพุธนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจจะเป็นจะมีอย่างเราจะถากพุธนี้ท่านครับแต่เราไม่ได้ทาตามท่านมันก็เลยได้รู้เหมือนห้ามเราก็ไปเรียกเอาตานามาถกมาเทียนกันอนาคตอุดมไปจำเอาตำนาอนบางที่พูดนี่ก็คือพุธเนี่ยไม่สบายกายไม่สบายใจอ้าวเรื่องนั้นเด็กๆก็รู้อยู่แล้วอยู่ให้ก็รู้เป็น มันตัวทุกเนะี่ยคือตัสมุทยนี่แหละสมุทัยทําให้ทุกข์ไบเพราะเราไม่รู้ไม่เห็นไนมะ่เขา้าใจกับตึงไปส่วนดสังขารตึงแต่งยึดมั่นถือมั่นทะลุอาาุปาทามันผลออกมาประทุกมักเป็นข้อประเด็ดมากกับครูคนรู้สึกนี่เองท่านี่ว่าจงมีสติจงมีสติเป็นแคนพูดแต่ว่าสติก็ได้รู้สึกนี่ย ทำไม่สติแล้วไปยังไงคนก็อยากพนทุกอันสติเราพูดได้มันมาเอาสมรู้สึกมันจะเป็นมักอันมักกับสติเป็นอันเดียวกันได้พูดทันตั้งคนไม่มีมักก็ไม่มีสติเมื่อบรรนี้เมื่อมันเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนบแน่นกับสิมันมันก็ไม่ปุ่มโทสะโลมะโลภะอย่างที่เรานั่งอยู่นี่นะไม่มีใครโกรธในนั่งสบายไม่ยังไงโกรธได้เดี๋ยวนี้ไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธ แล้วคณะมังกรเป็นยังไงเริ่มโตไปไหมแน่แน่แน่เราจะถือว่าเรามีสติไม่ไม่มีสติเลยไม่รู้กต่ความโกรธนั้นมันไม่มีแต่มันมีเรา ก, ก็รู้ว่าโอดสิ่งนี้ชั่วแล้วไม่ต้องมาทพายแล้วเมืหมดเรื่องกันเลยผลไม่มีมากนักคือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนแบบคุกนี่ไม่ไกลอย่างเพืทวตมาเต็มาคาสอนทั้งหมดเลยแปดโมงสี่พันพระธรรมขันจะบรรจุหลงเทวีเอกว่า ใบไม้กับมือเดียวได้จริงๆถ้าเราไม่รู้ใบไม้กับมือเดียวแล้วมันจะไม่รู้จริงๆในเรื่องนี้นะแต่เราพูดได้ใบไม้กับมือเดียวบัณฑิชานจะเข้าไปรู้ชานหมายถึงอะไรชานก็หมายถึงหูนี่เองฌานก็หมายถึงองาหารน่ะผนส่งอะไรก็พูด ก, กันอย่างนั้น<อ><อ>แล้วขนส่งเนี่ยไม่ใช<โอ iling>่ขนพระพุทธเจ้าไปถึงเนี่ยท่านเดินไปนี่ไม้คือท่านถึงด้วยขนสิทของท่านเอง เราเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจักจะรู้เพราะอา่านบางทีนั่งคิดนี่แต่เราไม่รู้ว่าวิธีทําดังจิตนี่แหละบางคนกรหลับตาอาตมาไม่ได้โกหกนะกระหลับตาดีดียังไงถ้าเรามีของเอาไว้อยู่ที่นี่นะเป็นทหารยุทธนนมีทองคำก็ได้มีสร้อยคออะไรก็ได้เนี่ยมีคนพูดให้ฟังใส่สร้อยคอมากๆเลยเป็นนั่งยุทธนนอาตมาคิดว่าไม่ควรคิดมันรสร้อยคอจะหายจริงๆเพราหลับตานี่เขาจะมา ดึงเอกไปเลยด้วยมีทองคำเนี่ยแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่นั่นนั่งหลับตางเงิงนมากๆเขาจะขนมีหมดเลยแล้วมันให้คุณด้วยไหมให้โทษท่าไม่ให้โทษแล้วก็แล้วไปถ้านไม่คุณแล้วก็แล้วไปคิดเอาเองก็ได้ยังไม่ต้องให้คนอือน่นสอนถ้าเราลืมตาได้ไปเนี่ยเอาเดินข้ามถนนก็ดีถ้านั่งหลับตาอยู่มันลดผลจริงๆหลับตาขามนนนันไม่ได้เนี่ยเป็นอนี้ถ้าเราลืมตาขามถนนได้เลย ถ้าเราเลืมตาเดินไปคนจะม า, าช่วยอเอาสร้อยคอแล้วอ่ะไม่ใช่สร้อยคอของคุณนะเดือดเรียกตำรวจมาจากนึ่งเรามีเงินเยอะเนี่ยนั่งอจะเรียกํย า, ากลัา ง, บบางจะซื้อของขายของแล้วก็มีอาวุธปืนอุปกรณ์เนนะี่ยเอาไปคุณจนะถูกขี้สองนั่นเองเนี่ยมันจะดีอย่างเงี้มันดีคนแบบเดียกแต่มันดีเหมือนกันอันนี้เราจะว่าหลักตาก็ได้แม่หลักตาก็ได้พทุทธโก็ได้อะไรก็ได้ถ้าทธโทรรู้ก็ดีถ้าทดโทไม่รู้ก็ไม่ดี มันได้ดีทั้นั้นอาตมาไม่ได้โฟงหกว่ามันไม่ดีแต่เพราะตัวเองเคยทํามาแล้วก่อนที่จะทําพอไม่รู้เมื่อไม่รู้เราจะไปสอนผนจริงได้ไหมมันก็สอนไปตามตำล่านั่นเองแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดเลยวอาตมาจี่มาพูดเป็เรื่องเดียวเทํานั้นคำสอนมันมีเรื่องเดียวเดือน ว, วันนี้ก็พูดเรื่องนั้นพูดเร่ก็พูดเรื่องนั้นมันไม่เป็นของจริงแล้วเพราะว่าหลอกลวงตนเองและหลอกลวงคนเองเขาจริงไห พิกษสูรามกสันดานนกกาหมาที่เลื่อน ง, งูเพื่อนที่ลูกนอกเคาะผู้อยู่นอกบันตทิงตาผ้าผีดิบน้ําติกลาล่างข้าวไม่ใะ่สวนของเดาพิกษุแก้กคนแวะแนวโมฆะบุรุษใจไม่ได้ดาบหมดในจีวรแต่เราไม่เข้าใจคําพูดเนื่องว่ามันเป็นคําเล่นจนเมื่อมาปฏิบัติธรรมมันจะไม่เป็นสลจริงคนโบราณเขาไม่ได้สอนกันมาก พ่อภาษาอินเดียพูดต้องเป็นภาษาบาลีทั้งนั้นแล้วคนไทยเนี่ยจะไปปฏิบัติให้มันพูดกับภาษาบาลีของคนอินเดียก็เป็นของยากจะแปลภาษาไทยไปพูดภาษาอินเดียแปลภาษาอินเดียกลับเข้ามาพู่ภาษาภาษาไทยไม่ไดอย่างที่อาตมาพูดในภาษาคนไทยไปเที่ยวฟังก็ไม่ไปดูเพราะอาตมาพูดภาษาต่างไม่เป็นอาตมามาอยู่ที่วัดสุนพระนพูดภาษาเมืองเลยคนท่ากางฟังไม่รู้เลย ถ้าคใต้สั่งไม่รู้ให้ว่าผ้าอีสานสั่งรู้ถ้าเป็นภาคหนือ มันไม่ขึ้นกับความยุติธรรมทางารไม่ขึ้นแบบสินค้าไม่ขึ้นกับบทเรียนกากษาเยมากม่ขึ้นมันขอยู่กความคิดนอท่จด้รับกาังน้นอาาในนามพระเจ้าอนขออทในตัวดีมาที่พวกเราร่วมกันทำร่วมกันเสริ เพ hm ื่อนที่ดีเีก่ัมพันธวนนี้มาชิกเคได้ยินคที่เพื่อนเพื่อนางท่านเล่าว่าเคยพูดว่าเพื่อนจาทคำนิชเพราะว่าสถานคำนิชหรือสถานะความรู้สมันมันเกาือกหารค้นเรื่อสิ่งเรื่อวกน็เพื่อจะขมาองี่งต่างว่าอนาจที่มีความเปรอบงำและครอบกันงได้ว่า าา ก, การที่เราทำกิการคือมีการแห้ด้วยการเลี้ยแล้กก็มีการพูดในที่ไตรลักษเหตุผลติากๆังแลวก็มีการไม่ถืโดโยนโยนและมีการพบเพื่อที่อันนี้เรียกว่าธรรมะจาระบ เร่อมีสบังเลอดในไข้เกิดการเย่เยอะาถามว่าทำไมท่านคนนั้นีเยื่อเยอะเพราะว่าท่านมีธรมะเอข้อจะมาระดิี้ถ้าพวกเราไม่ได้ก็จะพลาดไม่รจะไปในสังคมทีในสังคมเ็นดีและอยู่คดาาม่ดเพราะว่าูต่อเป็นน มีมากคนหลายชอบแสวงหาสาริกาลิปทองท่านแสวงหาของดีมาประดับเนื้อประดับตัวที่มีเส ที่มาวนนี้ตัมาของพ่อตัวพ่อเยนตัวไปเรื่องเพินแต่งใน่องที่มาลีนาควรจะมาพ่ขอรับรองแล้วก็ยืนกันว่าวิธีการที่บัตรนำในปฏิบัตินั้นเป็นสิที่เอาไปใช้ในชีวิประจำวันะะไปประการไหนนเข้าได้กับสาในการพูดิัไม่ว่าคได้นะเราว่า เรยน้ที่นอนหยาหายสนใจมาปวดปฏบัได้มากกว่าหรือหรือว่ามากก็ปฏิบัติได้มากหรือหรือว่าัคนละอย่างนะดวที่เป็นการปฏิบัติทางวเกิดการเรียกว่าการคามีคมร่วมกันคือมีสติมีสมาธิมีปัญญาถ้ามีคำอักร่วมกันทุกคนก็สามารถที่จะเดทางได้ าตจากดวงาแล้วดว่าถึงจะเป็นแต่เป็นพระองค้านามะองค์หน้าดีกัวาณพวกท่านหลายข้างดีที่ก็เป็นนะโบราณเขาว่าใจนะเป็นสีใจดีเป็นพระแล้วัทหลายงดีที่ก็ร้อยแต่กใจดีนะก็เป็นพระได้ด้วยกันข้างหนึ่ ที่ตัวกไม่ใช่เป็นบีตำรามโดดกันไนั่นเป็นสิ่งที่เอาไว้เป็นหลักอีการยืมต้องทามหลัข้อาวถ้าเป็นพิเศษเต้องเข้าขั้หลัก้เป็นแต่อาจจะอยู่ไมดนะเราวรถามว่าพระพุทธเจ้าทำไมไม่เสียนตำราตราแม่จะเรียสอนเอาไว้ในกีลาบ้าแล้วกเ ก็เราไม่เกิดเราไม่รู้เลยเจ้าหมว่าพที่จะด้วยาวต่อแต่ดวงดาวว่าพอการเกิดตานตกน้ำไหลตกไปตรงไหนเกิดไหนก็ได้ดาวเล็กในศวลาเป็แย่งมีรถยนต์ที่เฉลี่ยก็ได้ที่นผมตกน่อไหลก็ได้ดังนั้นแต่ว่าพระผูเปนเจ้าไม่รอดครอคุณพเา้วก็้ององถึว่าการันะที่จะเกยต่อผู้กระทำ ให้เจะในข้องนาเระแก่เวลาไปเลยแล้วเดี๋ยวนี้เรามีการหางานี่บทำงานกันเยอะงนก็มีความสงสัยเลยกันก็เชื่เวลาไม่ดีจเที่ออาจารย์ไม่ดีเชื่อวิีการไมดีนั้นต้องพิสูจนที่ตัวเราถ้าเรามีการพิสที่ตัวเราแวกิมาต้องขออย่าเพิ่งเ่ยถึงกงน การกระทำนั้นเราเราเลอท่เราเรือกที่ไหนเรือกที่การเจริญติเจริญสมาธิเจริญจังจาให้เห็นรู้ในใจตัวเราแล้วเราจะช่วยเด็มมากพราะาณในเาทั้งแรกพ็มีหน้าโปแล้วก็รู้ได้ดงตาไม่เกิดปัญญาสามารถดยแ้แ่เ้าช่วยเ้าต่อไปพกเราริ่มที่ ถ้าเรามีมาพูดแจ้งวีและก็ช่วยเหลือคนอ่ได้มากลก็สามารถที่จะนำผลเยื่อผลจากเรานะเป็นผู้ที่มีความคุ้มย่อมโยงโดยว่าอย่างนี้ความคุ้มในเรื่องความโลภความโกรและความโลทุกท่านไม่ต่างทุกชีวิตไมต่างแต่ทุกชีวิตก็มีจิตที่ไม่ทุกข์แล้วแต่ทาไมให้ทุกข์ด้วยขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้เดๆเลงนั้นเราไม่รู้ว่ดจะเิดจิ เราไปรู้ถ้าเรารู้แล้วปัจจัยอยที่บ้านู่ที่ไหนที่ทงานเราก็ทำได้เดินน่งนั่งบายนั่งสบายไม่โลภไม่โกแธและไม่อาจจะรู้สึกัวอยู่กลังดูความคิดอยู่ความรู้สึกความรู้สึกตัวเนี่ยที่เราได้รัวความรู้สึกตัวหายใจอยู่กระิาเพื่อนไปอยู่เนี่ยนี <m uch etera> ่แหละเรีว <c ười> mm. ่าตัวสติ ตัวพุชค้ตัวพุชโครู้อยู่ในหนึ่งเดียว่อย่านี้ความโกรธโลดโผงไม่ได้มีแต่หลายๆคนก็ยครับในที่สุดิ่าดีความใจของคนมาแต่น้อมาแป่ลมแตน้ำด้วยแต่ชาติไหนกลับไหนตังไหนก็รู้ที่ใจนแต่ที่จริงเราบอว่ายเเป็นสิ่งที่ก่อมาเป็นบางข้ามบางดาวกินเดินแท่้า ไม่ได้ต้องแต่ท่างหมอชอบไปเดก่อนมีคดีจะดจริงๆก็ิบัติที่ดีนะไม่เป็นสิ่งที่เลี่ยนอยถ้าเรากล้าที่นะหมือนะงั้นการเวลาก็ผ่านไป ก็มันะดลงจะมีปัญญาจะมากขึ้นเจะช่วยเด็ตัวเองช่วยดคมากขึ้นนี่อทัวเรลองลอง a m e มีสุขสีเดียวทุกคนหันหน้าเดินมเพื่อนมาช่วยหาของโอ้โหดีมาก ก็มีการ เมื่อชาแน่เหนียวมืดความรู้ความห่งความเข้างียบเป็นสตด้แค่สติในเรื่องชาสามารถสติในเรื่องชาได้เป็นทีายแล้วความรู้ชานึ่งเกิดสติต้องทักดูแลหรือไม่สมน้ำหรือมันเคลื่อนไหวโดยที่จิตต่อรู้ถึงภายในสติสติว่าสติที่ตัวนี้ขาดไม่ w o are o ถ้าเราดูมาคือจะมองต้นใหญ่คือจะถ้าเราดูยอดเขาคือจะมัง เรียนเป็นมากกยโดยเฉพาะเป็นประโยชน์เข้าไเรียนรู้มองกางการเราพิรณา 那边都做呼叫中心，在厂里干，到公司干，给买饭，到北京干，跑腿，危险。那边呢，就是房地产，做楼盘，做酒店。 ทุกคนไปเรียนตัวคนเรียนเขาได้ข่าวในเรื่องสองนี้แล้วท่มาปฏิบัติคนนี้เป็นใครเพราะมันมีตัวแทนอย่างนีมาจะมาเรียนจากคนนี้เพราะคนนี้ตัวนี้แ